พระพุทธศาสนาที่พวกเรามีความเคารบเลื่อมใสนับถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอะไรทำให้มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาให้พวกเรา ได้กราบไหว้บูชากันสิ่งแรกที่จะทำให้มีพระพุทธศาสนาก็คือมีการปรากฏขึ้นมาของพระอรหันตตะสัมาสัมพุทธเจ้าคือมีผู้ที่บำเพ็ญเพียรจนสามารถ บรรลุเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้พอมีพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่ต้องมีต่อมาก็คือการประกาศพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ได้ทรงพบได้ทรงใช้ในการ ดับความทุกข์ต่างๆในพระไทยของพระพุทธเจ้าจนหมดสิ้นไปยุติการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดได้พอมีพระธรรมคำสอนแล้วก็จะมีส่วนประกอบส่วนที่สามของพระพุทธศาสนาก็คือ จะมีพระ อ, อริยสงสาวุกระกฏตามาคือจะมีผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนาเอาไปปฏิบัติจนหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นพระ อ, อริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้า เมื่อมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้แล้วก็จะมีพระพุทธศาสนาที่จะเป็นร่มโพร่มไทรร่มเงาให้แก่สัตว์โลกให้ได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆไปตามลำดับ จนหลุดพ้นได้อย่างสิ้นเชิงนี่คือพระพุทธศาสนาของพวกเราเกิดมาได้จากการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าจากการเอาความรู้ที่พระองค์ได้ทรงรู้ทรงเห็นนำมาเผยแผ่สั่งสอนจนมีพระอริยสงสาก กฏตามขึ้นมาเป็นจานวนมากมาทำหน้าที่นำเอาพระธรรมคำสอนของพระองค์มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปตราบใดที่ยังมีพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสอนก็ดีพระอริยสงสาวกก็ดีตามนั้น พระพุทธศาสนายังจะมีอยู่คู่กับโลกนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วพระพุทธศาสนาก็จะมีวันสิ้นสุดไปนี่คือ เรื่องของพระพุทธศาสนาที่พวกเราได้มาสัมผัสได้มาพบได้มาเห็นและได้มาพึ่งพาอาศัยเป็นที่พึ่งทางใจเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปยุติการเวียนว่ายตายเกิด ยุติการเกิดแก่เจ็บตายที่พวกเราได้เวียนว่ายกันมาอย่างโชคชนอย่างนับไม่ถ้วนพระคุณของพระพุทธศาสนาหรือพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสากจึงเป็นพระคุณน้นฟ้า ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีพระคุณเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะนำพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากกองทุก แห่งการเกิดแก่เถีบตายได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มีแต่จะดึงให้สัตว์โลกนั้นติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีจักจบสิน้นผู้ที่ได้สัมผัสได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะรู้ว่าการที่สัตว์โลก มาเวียนว่ายตายเกิดกันนั้นก็เกิดจากการที่มาพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นที่ดับความทุกข์นั่นเองแต่เป็นการดับความทุกข์เพียงชั่วคราวและเป็นการผูกมัดให้สัตว์โลกต้องติดอยู่กับการพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุดต้องกลับมาหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพื่อมาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจซึ่งดับได้เพียงชั่วคราวดับแล้วเดียวความทุกข์ที่ดับไปก็จะกลับมาอีกเพราะไม่ใช่เป็นเครื่องดับทุกข์ที่แท้จริงนั่นเองเครื่องดับทุกข์ที่แท้จริงนี้ ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปรากฏในโลกนี้สัตว์โลกจะไม่มีวันที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยต้องรอเวลาให้มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาเท่านั้นสัตว์โลกจึงมีโอกาสที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้สัตว์โลกอย่างพวกเราในช่วงนี้อยู่ในช่วงที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ อยู่ที่สัตว์โลกที่จะเห็นคุณค่าของพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่เท่านั้นถึงแม้จะมีพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นผู้นําพาให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าสัตว์โลกไม่เห็นคุณค่าของพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่ได้รับประโยชน์อย่างไรจากพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ เหมือนไก่ได้พลอยไก่ที่หากินก็จะขุดคุ้ยหาตัวไส้เดือนตัวนอนเวลาไปเจอเพชเจอพลอยก็จะเขียทิ้งเขียทิ้งเพราะไม่รู้จักคุณค่าของเพชของพลอยว่ามีคุณค่ามากกว่าตัวนอนตัวไส้เดือนมากมายกายกอง หลายล้านหลายร้อยหลายพันเท่าถ้ามีปัญญาก็จะเห็นคุณค่าของเพชรของพลอยก็แทนที่จะเกลียดทิ้งเกลียยทิ้งก็เก็บเอาไว้เอาไปขายเอาไปแลกซื้อตัวหนอนตัวไส้เดือนกินได้ตลอดทั้งชาติอันใดผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพราะเห็นคุณคา่าของสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้คือราบยศสันเสริญความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายก็จะไม่สนใจกับการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระอริยสงสาวก เพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์คือทำให้จิตใจได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์ทั้งหลายกับมัวเมาอยู่กับการหาตัวหนอนตัวไส้เดือนคือหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายที่จะบรรเทาหรือดับความทุกข์ไว้เพียงชั่วคราว จะไม่สามารถดับได้อย่างถาวรต่อให้มีลาบยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมากน้อยเพียงไรก็ตามความทุกข์ในใจก็ยังจะมีอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดความทุกข์ที่เกิดจากการจากการแก่จากการเจ็บไข้ได้ป่วย จากการตายความทุกข์ที่เกิดจากการพลาดพลาดจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราชอบความทุกข์ที่เกิดจากการประสบกับสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบกับบุคคลที่เราไม่รักไม่ชอบความทุกข์เหล่านี้จะไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นไดจากการ มีราบยศสละเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะยะต่างๆดังนั้นถ้าได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาสัมผัสกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่จะทำให้ความทุกข์นั้นดับไปหมดไม่ใช่ราบยศสละเสริญ ส, สุขแต่เป็น คำสอนของพระพุทธเจ้าคือวิธีการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติได้ทรงสั่งสอนพระอริยสงสาวกให้นำเอาไปปฏิบัติจนทำให้สามารถหลุดพ้นออกจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจาก สิ่งที่เรารักที่เราชอบและการประสบกับสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบได้อยู่ที่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าอยากจะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ต่างๆไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างไม่มีวันสิ้นสุด ก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติให้เราทำทานสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสละลาบยศสรรเสริญเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพื่อเราจะได้มีเวลามาสร้างความสุขมาดับความทุกข์ภายในใจด้วยวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมาคือการออกบวชหรือการปฏิบัติแบบนักบวชจะไม่บวชก็ได้จะบวชก็ได้ขอให้ปฏิบัติเหมือนกับนักบวชก็แล้วกัน คือต้องมีศีลของนักบวชคือไม่ไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายนี่คือศีลของนักบวชคือห้ามไม่ให้ไปหาลาบยศสรรเสริญห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาต่างๆเพื่อจะได้เอาเวลาที่ไปหาความสุขเหล่านี้มา ดับความทุกข์ใจมาสร้างความสุขใจที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรคือความสุขที่เกิดจากการดับความทุกข์ใจนั่นเองใจนี้จะมีอยู่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาเดียวกันคือถ้าไม่ทุกข์ก็ต้องสุขถ้าไม่สุขก็ต้องทุกข์ ตอนนี้ใจของสัตว์โลกนี้จะทุกข์มากกว่าสุขสุขน้อยกว่าทุกข์แต่สามารถทำให้มีแต่สุขเพียงอย่างเดียวได้ไม่มีความทุกข์เลยถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือมาทำใจให้สงบกันแล้วก็สอนใจให้ฉลาด สอนใจให้รู้ถึงเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจว่าเกิดจากอะไรเมื่อรู้ว่าเหตุที่ทำให้ทุกข์ใจนั้นเกิดจากาสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หยุดการกระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เสียความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นม า, อาพอความทุกข์ใจไม่เกิดขึ้นมา ความสุขใจก็จะปรากฏขึ้นมาแทนนี่คือธรรมชาติของใจของสัตว์โลกทั้งหลายตอนนี้มีแต่การสร้างความทุกข์กันด้วยความหลงคิดว่าเป็นการสร้างความสุขกันจึงต้องทุกข์กันอยู่เรื่อยๆแต่พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกนี้ท่านรู้วิธี ที่จะดับความทุกข์กันหยุดสร้างความทุกข์กันจึงทําให้ใจของท่านนั้นไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขใจการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆส์กก็ปฏิบัติที่การระ ง, งับเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นเองพอเหตุที่ทําให้ความทุกข์ใจนั้นดับไป ความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาแทนที่ไม่ต้องวิ่งไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญไม่ต้องวิ่งไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภเพราะสามารถมีความสุขภายในตัวเองได้ภายในใจของตนเองได้เพียงแต่ละงับเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเท่านั้นเอง เหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจในสัตว์โลกนี้คืออะไรก็คือตัณหาทั้งสามได้แก่กามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณห า, ากามะตัณหาก็คือความอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลธระนี่เอง ภาวะตันหาก็คือความสุขจากการได้สิ่งต่างๆได้เป็นสิ่งต่างๆได้มีสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาและวิภาวะตันหาก็คือความอยากไม่ให้สูญเสียสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขนั้นก็หายไป นี่คือกามาตัญหาภาวตัญหาวิภาวตัญหาที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะความสุขใจที่ได้จากการกระทําตามกามาตัญหาภาวตัญหาและวิภาวะตัญหานี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ได้มาแล้ว เดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปแล้วความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ยึงไม่ได้เป็นการหาความสุขพราะผลลัพธ์ที่ตามมามันเป็นความทุกข์นั่นเองเช่นได้ราบยศสรรเสริญมาพอเสียราบยศสรรเสริญไปความสุขที่ได้มาก็กลายเป็นความทุกข์ไป ได้รูปเสียงกลาาิ่นรสผดทพะมาพอสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะไปเอความสุขก็หายไปความทุกข์ก็ตามมาทันทีเอจึงไม่ได้เป็นการหาความสุขที่แท้จริงแต่เป็นการหาความทุกข์ที่แท้จริงที่สัตวโลกไม่มองไม่สามารถมองเห็นเพราะเห็นแต่ความสุขที่จะ ได้รับในเบื้องต้นนั่นเองเวลาได้ราบยศสรรเสริญก็ดีอกดีใจกันแล้วก็อยากจะได้ราบยศสรรเสริญกันไปเรื่อยๆก็หากันไปเรื่อยๆตราบใดที่มีราบยศสรรเสริญสุขตราบนั้นก็ไม่มีความทุกข์แต่มันจะต้องมีวันใดวันหนึ่ง ที่จะต้องไม่มีลาบยศสรรเสริญสุขให้เสพพอถึงวันนั้นก็จะทุกข์แต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากการที่ไปหาลาบยศสารเสริญสุขมาให้ความสุขกับตนแทนที่จะหยุดหากับต้องหามาดับความทุกข์ให้ได้อีกพอสูญเสียลาบยศสารเสริญสุขไป ก็ต้องรีบหาราบยศสรเสริญสุขมาใหม่ให้ได้มาทดแทนให้ได้อหาได้เท่าไหร่หรือหาไม่ได้ อ, อก็ต้องหาอยู่นั่นหาได้แล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปอยู่ก็หาใหม่อีกเวลาตายจากโลกนี้ไปเวลานั้นก็ไม่มีราบยศรเสริญ ส, สุขให้เสกให้ความสุขกับใจ ใจก็ต้องดิ้นกลับมาเกิดใหม่กลับ ม, มีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ไปหาราบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกยลิ่นรสผลถภาใหม่นี่แหละเป็นคือสาเหตุ ท, ที่ทำให้จิตใจต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยพอกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาเจอความแก่ เจอความเจ็บเจอความตายเจอการพัดภาคจากของร่บุคคลที่รักรักชอบและเจอกับบุคคลและขอที่ไม่รักไม่ชอบอก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจต่างๆตามมามภาวะตัณหาก็คือการอยากได้สิ่งที่รักที่ชอบ วิภาวาตันหาก็คือการอยากให้สิ่งที่ไม่รักไม่ชอบนั้นหายไปก็ทำให้ใจต้องดิ้นต้องวุ่นวายกับการหาสิ่งที่รักที่ชอบหนีจากสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบอแต่หาเท่าไหร่หรือหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นหาได้เท่าไหร่ก็หาแล้วเดี๋ยวก็หมดไป ความทุกข์จึงไม่มีวันหมดไปจากใจจากการที่ไปหาความสุขตามความอยากทั้งสามประการนี้คือหาความสุขจากกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่ฉลาดทรงเห็นว่าการหาความสุขจากกามตัณหาภาวะตัณหา และวิภาวะตัณหานั่นเป็นการหาความทุกข์เพราะความสุขที่ได้เป็นความสุขชั่วคราวจะต้องมีวันหมดไปเวลาหมดแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาแทานที่ทันทีพระองค์จึงทรงยุติการหาความสุขจากกามตัณหาภาวตัณหาและวิภาวตัณหาด้วยการใช้การบาเพ็ญ การปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาทรงใช้ศีลเพื่อระงับการหาความสุขจากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลธธิ่นรสผลพะแล้วก็ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาหยุดกามตัณหาหยุดภาวะตัณหาหยุดวิภาวะตัณหาพอหยุดทั้งสามได้ ความอยากหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไปเหลือแต่ความสุขใจที่สงบปราศจากตัณหาทั้งสามนี้เป็นใจที่มีแต่ความสุขเพราะความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้มันหายไป เวลาที่เกิดความอยากในใจจะไม่เป็นปกติใจจะกะังวลกัวายกระสับกระส่ายจะหงุดหงิดตำคาญใจจะรู้สึกเหงาเศร้าซ้อยว้าเวเ่คือมีแต่ความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นเวลามีความอยากในกามอารมณ์มีความอยากมีอยากเป็นหรือมีความอยากไม่มีอยากไม่เป็น พอใช้ศีลสมาธิปัญญามาหยุดมันได้ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆที่เราเรียกว่าความทุกข์ก็จะหายไปหมดพอความทุกข์หายไปหมดความสุขก็ปรากฏขึ้นมาเองเป็นธรรมชาติของใจถ้าไม่สุขก็ทุกข์ใจของโลกเรามันทุกข์กันอยู่ตลอดเวลา พาะมีความอยากอยู่ตลอดเวลามีกามาตัณหามีภาวะตัณหามีวิภาวตัณหาอยู่ตลอดเวลาใจของเราจึงหาความสุขไม่เจอกันไปหาความสุขปลอมที่กลายเป็นความทุกข์ไปขณะที่หาความสุขปลอมก็ทุกข์แล้วเช่นเวลาอยากจะดื่มสุราอยากจะดื่มกาแฟ อยากจะสูบบุหรี่ใจก็ไม่สบายแล้วอารมณ์หงดหุดหียดนำคาญใจพอหามาได้แล้วก็มีก็สงบลงไปชั่วคราวอารมณ์ที่ไม่ดีก็สงบไปชั่วคราวความทุกข์ระงับไปชั่วคราวเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกเพราะความสุขที่ได้จากการเสพ สิ่งที่อยากจะเสพมันหายไปมันหมดไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาก็ทําให้เกิดความอยากที่จะดับความทุกข์นั้นด้วยการประเสพใหม่อันนี้เป็นวิธีสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นวิธีสร้างความสุขพระพุทธเจ้าก็เคยสร้างความสุขแบบนี้มาแล้วแต่ทรงเห็นว่าแทนที่จะได้รับความสุขอย่างเดียว แต่กับมีความทุกข์ถามมาเสมอจนทำให้พระองค์เบื่อต่อการที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิน่นรสผลถภาแล้วก็มุศึกษาหาวิธีหาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาก็ทรงค้นพบว่าต้องกาจัด การมาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเท่านั้นใจจึงจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรและดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้อย่างถาวรจะดับได้ก็ต้องอาศัยการบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาศีลก็ศีลของนักบวช ศีลของผู้คลองเรือนนี้จะมีกำลังไม่พอคือศีลห้าศีลห้านี้ยังไม่สามารถยับยั้งการกระทำตามความอยากต่างๆได้เช่นยังร่วมหลับนอนกับคู่คล อ, องของตนได้ยังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระได้ยังหาราบยศสรรเสริญได้ แต่ถ้ามาถือศีลของนักบวชแล้วนี่จะห้ามไม่ให้ไปหาราบยศสรรเสริญห้ามไม่ให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสปฐพะให้มาหาความสงบให้มาหาการหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจการบําเพ็ญจำเป็นจะต้องมีเวลาบําเพ็ญอย่างต่อเนื่องอถ้าบําเพ็ญแบบ ผู้ครองเรือนนี้จะไม่ต่อเนื่องเพราะผู้ครองเรือนนี้ยังต้องไปหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลียนรสต่างๆจะมีเวลาว่างบา ง, ว, บางวันบางเวลาเช่นในวันพระอาจจะมีเวลาที่จะมาบำเพ็ญแบบนักบวชได้คือมาอยู่วัดมาถือศีลแปดแล้วก็มาบาเพ็ญ สมาธิและปัญญาสมาธิก็เกิดจากการเจริญสติไหว้พ้าสวดมนต์บริกรรมพุทโธดูลมหายใจเข้าออกพอมีสติมีกำลังก็จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้พอใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สามสาธิ ค, ค, ความอยากต่างๆก็ถูก สุขหยุดไปชั่วคราวด้วยอํานาจของสติด้วยอํานาจของสมาธิเวลานั้นความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปเหลือแต่ความสุขที่เกิดจากการระ ง, งับความอยากต่างๆเป็นความสุขที่วิเศษที่เหนือกว่าความสุขจากการได้ราบยศสรรเสริญ จากการได้รูปเสียงกลิ่นรสผลถะเพพอได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้ก <c oughs> ็จะทำให้เกิดมีศรัทธามีกำลังใจที่จะมาบำเพ็ญเพื่อสร้างความสุขแบบนี้ให้มากขึ้นตอนต้นก็อาจจะทำอาทิตย์ละหนึ่งวันพอได้รับสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบ ก็อาจจะเพิ่มวันปฏิบัติจากหนึ่งวันเป็นสองวันเป็นสามวันลดการหาราบยศสารเสวนลดการหารูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐพัพไปตามลําดับต่อไปก็อาจจะไม่หาราบยศ ส, สรรเสวนไม่หารูปเสียงกลิ่นลดอีกต่อไปไปอยู่วัดไปบวชอย่างถาวรเพื่อที่จะมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบ ความสุขที่เกิดจากการระ ง, งับกามาตัาหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเกิดจากการบําเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาอย่างต่อเนื่องต้องทําตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเคือตื่นขึ้นมาก็ต้องคอยควบคุมใจไม่ให้ไปหาลาบยศสารเสริญไม่ให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ คอยดึงใจให้เข้าสู่ความสงบคอยระงรับความอยากต่างๆคอยระงรับกามาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาด้วยการใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงพิสูจน์แล้วว่าการปล่อยให้มีความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจแล้วก็เป็นการ ทำให้ใจต้องดิน้นต้องหาอยู่หาความทุกข์ไปอยู่เรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวโดยคิดว่าเป็นการหาความสุขเพราะความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากมันจะเป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองแล้วเดี๋ยวความสุขนั้นหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่นี่คือปัญญาต้องให้เห็นว่า เวลาอยากจะทําอะไรตามความอยากนั้นทำแล้วไม่ได้เป็นสุขเป็นสุขก็เป็นสุขชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นความทุกข์ตามมาอย่าไปทําตามมันเผิ่นมันอย่าไปเชื่อมันมันชวนให้ดื่มสุราก็อย่าดื่มชวนให้ดื่มกาแฟก็อย่าดื่มชวนให้สูบบุหรี่ก็อย่าสูบชวนให้ไปดูหนังฟังเพลงก็อย่าไป ชวนให้ไปกินเลี้ยงก็อย่าไปชวนให้ไปนอนหลับกับแฟนก็อย่าไปฝืนมันใช้สติหยุดความอยากหยุดความคิดพุดโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไปนั่งสมาธิไปแล้วต่อไปความอยากเหล่านี้มันจะไม่มันจะหมดกำลังถ้ามันอยากแล้วเราไม่ทําตามความอยาก เดี๋ยวมันก็จะไม่อยากเองแต่ถ้าไปทําตามความอยากมันจะไม่มีวันหมดมันจะมาชวนเราอยู่เรื่อยๆพอมาชวนเราเราก็ไปกับมันแล้วไปกับมันแล้ววันพรุ่งนี้มันก็มาชวนเราอีกชวนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ไปวันนี้มาชวนเราไม่ไปพรุ่งนี้มาชวนก็ไม่ไปมาเล น, นี้มาชวนก็ไม่ไป พอไม่ไปต่อไปมันก็เลิกมาชวนเราเลิกมารบกวนใจเรานี่คือการหยุดความอยากอย่างถาวรหยุดด้วยปัญญาหยุดด้วยการเห็นโทษของการทําตามความอยากว่าไม่ได้เป็นการไปหาความสุขแต่เป็นการไปหาความทุกข์ไปหาการเวียนว่ายตายเกิดตายจากภพนี้ถ้า ย, ยังมีความอยากอยู่ ก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่กลับมาทุกข์ใหม่มาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใหม่ไม่มีวันสิ้นสุดจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อเราไม่ไปทําตามความอยากทั้งสามประการนี้โดยใช้ปัญญาและใช้สติคอยหยุดมันเวลาเกิดความอยากก็ใช้สติพุทโธพุทโธไปใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่ายไปทําโอดเถิด อดไม่นานแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปความทุกข์ความหงุดหงิดที่เกิดจากความอยากในตอนนี้อย่าไปอย่าไประบายมันอย่าไปทําให้มันหายด้วยการไปทําตามความอยากเพราะมันจะไม่หมดมันจะกลับมาเรื่อยๆมันจะหมดก็ตอบเมื่อเราไม่ไปทําตามความอยากยอมทนกับความรู้สึกเมื่อที่ไม่สบายไปเดี๋ยวเดียวไม่นานเดี๋ยวพอความอยากมันไม่มีกําลังมันหมดกําลัง ความรู้สึกไม่ดีก็จะหายไปก็จะเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความสุขนี่แหละคือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญและได้ทรงนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนผู้ที่นำเอาไปปฏิบัติก็จะได้รับผลเหมือนกับพระพุทธเจ้าและก็จะได้เป็นพระเป็นพระอารหันตสาวกเป็นพระอาริยสงฆ์ของพระพุทธเจ้า ที่จะมาทําหน้าที่เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากโลกนี้ไปแล้วพระพุทธเจ้าร่างกายของพระพุทธเจ้าก็เหมือนร่างกายของพุตุชนธรรมดาไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันร่างกายของพระพุทธเจ้าก็อยู่ได้แค่80ิปี พอไม่มีร่างกายพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถเผยแผ่สั่งสอนความรู้ที่พระองค์ทรงได้ตรัสรู้ได้ก็ต้องฝากให้เป็นหน้าที่ของพระอริยสงฆส์มาทําหน้าที่ต่อไปถ้าตราบใดยังมีพระอริยสงฆส์เผยแผ่คําสอนอยู่ตราบนั้นพระศาสนาก็ยังจะมีอยู่ไปเรื่อยๆแต่ถ้า ไม่มีพระอริยสงสาวกมาเผยแผ่คําสอนแล้วคําสอนก็จะเป็นหมันไปเพราะผู้ศึกษาจะไม่สามารถศึกษาจากคําสอนแล้วนํามาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องยกเว้นผู้ที่ฉลาดจริงๆซึ่งก็จะมีบ้างแต่ก็จะไม่มากแล้วก็จะทําให้าศาสนานั้นค่อยๆหดไปหดไปได้หมดไปในที่สุด ตามคำพยากรณ์ที่พระพุทธเจ้าได้สรงพยากรณ์ไว้ว่าพระพุทธศาสนานี้จะอยู่กับโลกนี้ได้ไปไม่เกินห้าพันปีตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วเลยครึ่งทางมามาถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบเลยครึ่งทางมาหกสิบปีเดี๋ยอีกนสองพันสี่ร้อยกว่าปีศาสนาก็จะ หมดไปอตอนนี้เรายังมีศาสนาอยู่ขอให้เรามาตักตวงประโยชน์จากศาสนากันเถิดมาเอาความสุขที่เท้าที่ถาวรที่แท้จริงมาดับความทุกข์ที่แท้จริงที่ถาวรกันด้วยการมาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่าการไปดับความทุกข์ที่ไม่แท้จริง หาความสุขที่ไม่แท้จริงจากการไปห า, าลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะกันขอให้เราหยุดการห า, ราลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสกันดีกว่าแล้วมาหาศีลสมาธิปัญญากันมาปฏิบัติกันรับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวังเพราะจะได้ความสุขที่แท้จริงจะดับความทุกข์ ได้อย่างถาวรความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ภายในใจนี้จะหมดสิ้นไปอย่างแน่นอนถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติคือให้มาเจริญศีลสมาธิปัญญากันแล้วรับรองได้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีวันสิ้นสุด จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและประโยชน์ของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสัตว์โลกนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงและการดับทุกข์ที่ถาวรนที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวารลยวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตูทินังเปตานาังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเปเมวะสมิจตุ สัพเพปเร็มตสังกปาจันโทปนะระโสยะามณิโชติระโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภาวะตวันตรายุสุขีทีคายุโกภา พิวาทะนสีิตสานิจังวุธาปจายโนจตารโธรร ม, มาวัานติอายุวนโนสุขังภาลาังช่วงต่อ น, นี้่็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถาม ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะขออนุญาตงดตอบปัญหาอยากจะถามถามได้ในช่วงนี้มีไมโครโฟนให้มาพูดเพื่อจะได้ยินกันทั่วถึงถ้ายังไม่มีก็จะเอาคำถามจากผู้ที่กำลังติดตามถ่ายทอดสด ทาง Facebook กับทาง y o ยูทูบวันนี้ไม่ทราบมีเข้ามาจำนวนทักเท่าไหร่ ว, วันนี้ y o ยูทูบไอ a c e b o o k มีประมาณเกือบ300ครับเกือบสามเหรอ u t u b e ก็วันนี้น้อยหน่อยอรครับสี่สิากว่าเขาขอการถามค่ะว่าวิพัฒนาหาความไม่อยากที่จะเจอสิ่งที่ไม่ชอบนะะี่ยค่ะ เพราะเหตุใดถึงทําให้เรามาเกิดใหม่ค่ะก็เราหนีมันไงหนีมาเราก็ไปเกิดใหม่เนี่ยหนีจากที่นี่มันก็ไปเกิดที่นู่น่ะมันต้องไม่หนีมันต้องอยู่เฉยเฉยมันถึงยังไม่ไปเกิดใหม่ท่านหนีจากโลกนี้มันก็หนีไปหาโลกหน้าคนฆ่าตัวตายเก็หนีจากโลกนี้ไปแต่มันยังอยากอยากจะได้ของดีอยู่อยากจะได้ของที่รักอยู่มันก็หนีไปหาของที่มันรักไงใช่ไ่ม นีจากที่เราไม่ชอบไปหาของที่เรารักมันก็ไปเกิดใหม่เช่นตอนนี้ทุกข์มากก็เลยฆ่าตัวตายเพราะจะได้หนีความทุกข์เพื่อจะได้ไปหาความสุขอันใหม่ไปเกิดใหม่พอไปเกิดใหม่มันก็ไปเจอความทุกข์เก่าอีกแล้วมันก็ไปเจอเรื่องเก่ามันก็หนีอยู่เรื่อยฆ่าตัวตายอยู่ได้เรื่อยต้องไม่หนีต้องไม่วิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาก็ไปเกิดใหม่เหมือนหนีก็ไปเกิดใหม่ ต้องอยู่เฉยๆต้องไม่หนีทุกข์ก็อยู่กับมันสุขก็อยู่กับมันไม่ไปวิ่งไล่ตามมันมันหายก็ให้มันหายไปมันไม่มีก็ให้มันไม่มีไปทุกข์มีก็ปล่อยมันมีไปมันไม่หายก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองทุกอย่างขอให้ใจเราหยุดเท่านั้นเองอย่างพระพุทธเจ้าบอกองคุลิมาว่าเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดเธอยังวิ่งหา อยู่ยังตามล่าฆ่าคนอยู่ เ, ออเราหยุดฆ่าแล้วเราจะเป็นมหาจาักรพรรดิก็เป็นได้แต่เราไม่เป็น เ, ออเรามาเป็นศาสด า, ศ า, ศ า, ศา เ, ออเราหยุดความอยากทั้งสามประการนี้แล้ว ค, คือมันแปลว่ามันยังมีความอยากที่จะเจอสิ่งที่ชอบอยู่ก็ยังมีอยู่มันมเพียงแต่มันเจอสิ่งที่ไม่ชอบมันก็หนีนีออ่หนีเพื่อไปหาสิ่งที่ชอบไม่ใช่เหรอ เบอร์คนนี้ก็ไปหาแฟนใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่หนีแล้วไปบวชนะบวชหรือเปล่ปาหนีแล้วไม่บวชเนี่ยหนีก็ไปบวชซินั่นแหละถึงจะเรียกว่าอ่ไม่หนีจริงคําถามจากคุณธัญญานะครับข้อที่หนึ่งการอธิษฐานขอแบ่งกรรมจากบุปกาลีจากหนักเป็นเบามาให้ลูกรับเคาะแทนมีจริงไหมคบ ไม่มีหรอกกรมรมไขกรรมมันทําได้ก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายเช่นเลี้ยงเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเวลาที่ท่านแก่เท่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็แบ่งกรรมแบบนั้นได้ก็คือช่วยเลี้ยงดูท่านให้ท่านอยู่สุขสบายไปตามภาวะตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้ามีกรรมอย่างอื่นเราก็แบ่งไม่ได้เช่นเด คู่เวรคู่กรรมมาสร้างเวร ส, สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้อันนั้นเราไปแบ่งรับกับท่านไม่ได้ท่านก็ต้องรับไปข้อที่สองการฆ่าสัตว์หรือทาร้ายสัตว์โดยไม่ตั้งใจหรืออยากช่วยแต่กลายเป็นทาให้สัตว์ตายเราจะบาปไหมคะเราแผ่มเมตตาขออโหสิกรรมสัตว์เหล่านั้นจะได้รับหรือไม่คือถ้าเราไม่ได้ทาด้วยเจตนาก็ไม่บาป จะขอโอโหสิกรรมเขาก็ต้องคุยกันรู้เรื่องถ้าคุยพจน์ละภาษาเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเราไปคุยกับฝรั่งไปตีตีหัวมันแล้วบอกขอขออาภายัยฟังไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ให้อาภายัยมันก็มันโกรธมันก็ยังโกรธอยู่เพราะฉะนั้นจะขอโอโหสิกับใครก็ต้องพูดกันรู้เรื่องพูดภาษาเดียวกันแล้วก็ไม่หมายความว่าเขาจะให้โอโหสิ บางทีเขาเจ็บมากๆากเขาก็ให้อโหสิไม่ลงเหมือนกันเหมือนใครมาตีหัวเราแล้วมาขอโทษนี่เราจะเอโหสิไหมบางทีก็เอโหสิยากก็แล้วแต่คนคนบางคนมีธรรมมีใจเป็นกุศลก็อาจจะอโหสิให้เพราะมีความเมตตาแต่คนที่ไม่มีความเมตตาไปขออโหสิเขาอย่างไรเขาก็ไม่ให้อโหสิเขาก็ต้องการที่จะจองเวรจองกรรมเรา ข้อที่สามการกินเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นชอบกินปูตามร้านอาหารทะเลซึ่งตามร้านมักเอาของสดๆมาทำอาหารจะบาปไหมคะถ้าเป็นของที่ยังไม่ตายก็บาปเพราะเราไปสั่งเขาเขาก็ต้องฆ่าเพื่อที่จะเอามาให้เรายกเว้นว่าเราถามเขาหรือบอกเขาว่ามีของที่ตายไหมของที่ตายแล้วถ้ามีของที่ตายแล้วสั่งมากินก็ไม่บาป แต่ถ้าของนี่ยังไม่ตายสั่งแล้วเขาต้องไปฆ่านี่ก็บาปก็หัดกินเจไปสิกินเจก็กินได้ก็อยู่ได้ไม่ตายเหมือนกันกินแล้วเพื่อกินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินถ้ากินเพื่ออยู่นี่กินอะไรก็ได้กินให้มันอิ่มท้องก็อยู่ได้แล้วอแต่ถ้าอยู่เพื่อกินก็กินเพื่อความสุขกินแล้วต้องอเด็ดอร่อยของต้องสดของต้องมันอย่างนี้ เราไปเราไปมีความสุขบนกองทุกข์ของผู้อื่นมันก็เป็นบาปมันก็จะกลับมาหาเราสักวันเราก็กลับไปเป็นปูเป็นปลาให้เขากินสดสดนอนๆจะกุณดาลินดานะครับการที่เรานั่งฟังหลวงพ่อผ่านทางออนไลน์และนั่งภ า, าวนาไปด้วยจนถึงน้อมรับพอจากหลวงพ่อถือว่าเราได้บุญหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าจิตสุขหรือไม่สุขถ้าจิตสุขก็ได้บุญ ปรบุญก็คือความสุขใจจะคุณสมศรีนะครับเมื่อลูกชายได้เข้าบวชเป็นพระโยมผู้เป็นมารดาจะอาสาเป็นสิทธ์ช่วยถือถังใส่ของที่รับบิณฑบาตในตอนเช้าได้หรือไม่คะคือปกติถ้าเป็นไปได้เขาจะไม่ให้ญาติโยมผู้หญิงมาใกล้ชิดกับกับพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะว่ามันเป็นเพศตรงกันข้ามมันจะมะีผลกระทบ ทางด้านจิตใจมากกว่าการที่มีโยมผู้ชายมารับใช้ดังนั้นตามปกติแล้วเขาจะไม่นิยมเอาญาติโยมผู้หญิงมารับใช้พระสงฆ์องค์เจ้ามาล้างบาทเช็ดบาทมากวาดถูสารามากวาดถูกุฏิอะไรทํานองนี้ไม่ใชไ่ไม่ใช่เป็นกิจของศีกาของญาติโยมผู้หญิงที่จะมาใกล้ชิดกับพระสงฆ์องค์เจ้าแบบนั้นจะให้เป็นของผู้ชายเด็ก เด็กวัดนี่จะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายรับชายพระกันเพราะมันไม่ไปกระตุ้นเรื่องอารมณ์ทางกามอารมณ์นั่นเองถ้าเป็นเพศตรงกันข้ามันเห็นกันมันอยู่ใกล้ชิดกันเดี๋ยวมันก็อดที่จะกระตุ้นอารมณ์เกิดขึ้นมาอถึงแม้ว่าจะเป็นแม่ของลูกอาจจะไม่กระตุ้นอารมณ์ลูกแต่อาจจะไปกดตุ้นอารมณ์ของพระรูปอื่นก็ได้เพราะมันไปอยู่ใกล้กันเอ นั้นเรื่องผู้หญิงกับผู้ชายนี้ทางวัดเขาจะแยกกันเหมือนกับไฟกับน้ำมันเขาไม่ให้อยู่ใกล้กันที่พระของพระ น, นี่จะอยู่มุมหนึ่งที่พระของญาติโยมนี่จะอยู่อีกมุมหนึ่งไม่ให้อยู่ใกล้กันและเวลามาทำกิจกรรมก็มักจะแยกส่วนกันญาติโยมอยู่มุมหนึ่งของศาลาพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่อีกมุมหนึ่งของศาลานอกจากมีความจาเป็นจะต้องมาใส่บาตรถวายของเท่านั้นถึงจะเข้ามาได้ และถวายของก็ยังต้องมีผ้าไว้รองรับไม่ให้รับกับมือเพราะเดี๋ยวมันพลาด ไ, ไปแตะเนื้อต้องตัวกันได้อีกเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาทางจิตใจของพระได้หรือของโยมได้โยบมบางคนก็เลยมาติดพระแต่ไม่ได้ติดธรรมแต่ไปติดร่างกายของพระไปรักไปห่วงร่างกายของพระไปเป็นเจ้าของของพระเสีกเนี่ย อันนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้ต่อไปนจึงไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับพระสงฆ์องค์เจ้านอกจากใกล้ชิดแบบธรรมคือเนี่ยมานั่งฟังเทศฟังธรรมกันอเงี้ยให้ใกล้ชิดแบบนี้ได้แต่อย่าไปใกล้ชิดในลักษณะของการเอาร่างกายไปอยู่ใกล้กันอันนี้จะทําให้เกิดโทษมากกว่าเกิดคุณจะคุณจิตประพัดสอนนะครับเวลานั่งสมาธิ ถ้าเราถนัดที่จะนั่งพับเพียเพราะจะนั่งได้นานกว่าการนั่งขัดสมาธิจะสามารถได้ไหมเจ้าคะได้เราถนัดท่าไหนเราก็นั่งไปในท่านั้นขอให้เราดูผลคือใจเราสงบหรือไม่สงบคือการนั่งนานๆนี้ก็ไม่เป็นตัววัดของการปฏิบัติการนั่งนี้ต้องให้มันสงบนั่งไม่นานแต่สงบดีกว่านั่งนานแล้วไม่สงบผลอยู่ที่ความสงบไม่ได้อยู่ที่เวลานั่ง เพียงอย่างเดียวจะคุณชินจิวนะครับสมาธิทํามาจนมีอาการเหมือนดิ่งลงดิ่งลงเรื่อยๆควรทําอย่างไรครับหรือว่าเป็นเพราะทําผิดถูกแล้วแหะเวลามันดิ่งลงก็ปล่อยมันดิ่งลงไปอย่าไปสนใจขอให้เราอยู่กับอารมณ์ที่กํากับใจเช่นอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับการการดิง่ง ดึงนี่มันมีดึงหลายแบบดึงแบบพูดพลาดดึงแบบทีละขั้นมันงลงไปทีละขั้นเหมือนขั้นบันไดก็มีบางทีก็ลงไปแบบตกลุมตกบ่อบก็มีแต่การดิ่งนี่แหละแสดงว่าจิตกําลังเข้าสู่ความสงบปล่อยมันเข้าไปอย่าไปสนใจให้อยู่กับคําบริกรรมไปจนกว่าจะเข้าสู่ถึงจุดที่มันจะหยุดบริกรรมไปเองเพราะจิตมันจะสงบได้เต็มที่ มันก็จะปล่อยคําบริกรรมปล่อยลมไปแล้วก็จะอยู่กับความสงบตอนนั้นก็อย่าไปทำอะไรอย่าไปพิจารณาปัญญาอย่าไปทำอะไรนอกจากประคับประคองให้มันสงบไปนานๆด้วยการป้องกันไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆจนกว่ามันจะหยุดมันไม่ได้มันอยากจะถอนออกมาอยากจะคิดก็ปล่อยมันถอนออกมา ตอ น, นั้นถ้าอยากจ ะ, จะเจริญปัญญาก็ใช้เวลานั้นจเจริญปัญญาได้พิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาอสุภะพิจารณาอาการสามพิจารณาดินน้ำลมไฟพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยของเหล่านี้พิจารณาได้การพิจารณาก็เป็นการศึกษาสอนใจให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ควรที่จะไปอยาก ไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องด้วยคนที่จะตัดคนที่จะปล่อยวางคนที่จะหัดอยู่คนเดียวอยู่แบบไม่มีอะไรจะดีกว่าคําถามจากคุณณพลนะครับคําว่าจิตที่ไม่ได้ฝึกเปรียบเสมือนกับเด็กก็ต่อเมื่อได้ฝึกแล้วจิตถึงจะเป็นผู้ใหญ่เป็นอย่างไรครับแล้วถ้าเราอยากจะเป็นผู้ใหญ่ควรประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรก็เด็กถ้าไม่มีผู้ใหญ่สอนเด็กก็จะไม่ได้พัฒนาการ ต่ไม่รู้จักว่าจะเข้าห้องน้ำตรงไหนนึกอยากจะปวดฉี่ก็ฉี่อา้าวฉี่ลาดแต่มีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะสอนว่าฉี่แบบนี้ไม่ได้อย่าปวดฉี่ก็ต้องไปเข้าห้องน้ำ เ, เวลากินก็ต้องสอนวิธีกินที่ถูกต้องวิธีอาบน้ำวิธีแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรต่างๆนี้ต้องมีการสั่งสอนเด็กถึงจะรู้เรื่องเด็กถึงจะสามารถอยู่เป็นเหมือนกับคนอื่น ได้คืออยู่แบบไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ไปสร้างปัญหาให้กับใครจิตถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมมันก็เป็นแบบนั้นะเวลาโลภมันก็โลภเวลามันโกรธมันก็โกรธเวลาอยากจะดา่าใครก็ดา่าอยากจะทุบตีใครก็ทุบตีเวลาอยากจะข โ, โมยข้าวของเงิงนทองก็ข โ, โมยนะ ถ้าเราไม่มาอบรมสั่งสอนมันมันก็จะเสียคนมันจะทําให้คนที่มีจิตที่ไม่ได้รับการอบรมนี่กลายเป็นคนคนเดีวไปคนไม่ดีคนที่จะต้องถูกแยกออกจากสังคมถูกจับไปขังคุกขังตารางแต่จิตที่ได้รับการอบรมได้การได้รับการสั่งสอนให้รู้จักระงับาการกระทําที่เสียหายทั้งทั้งหลายลาระงับการกระทําที่ทําให้เกิดโทษ เป็นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยถ้าสอนรารู้จักทำควบคุมใจได้ก็จะเป็นใจที่สงบเรียบร้อยไปอยู่ที่ไหนกับใครก็จะไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นและกับตนเองคำถามจากทาง youtube จากคุณ BB นะครับส่งมาใหม่นะครับทำจริงเองว่างไร้ตัวยึดติดไร้ความหมายส่วนทุกสิ่งก็สมมติหรือเปล่าครับ คือทุกสิ่งมันก็สมมุติอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราว่ากันนี้มันไม่ได้เป็นตามที่เราว่าความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพาทานาธิปดีเป็นอะไรต่างๆนี่มันเป็นสมมุติมันเป็นตัวละครตัวที่เล่นละครก็คือดินน้ำลมไฟร่างกายของพวกเรานี้เป็นตัวตัวเล่นละคร เรามาเล่นบทต่างๆมาตอนต้นก็มาเป็นลูกก่อนพอโตขึ้นก็เป็นพี่ต่อไปก็เป็นพ่อเป็นแม่ต่อไปก็เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายไปตามสมมุติตามเหตุการณ์ตามบทที่เราเล่นกันแต่ตัวที่เล่นจริงๆก็คือตัวร่างกายที่มีอาการ32ที่ทํามาจากดินน้ำลมไฟ ร่างกายของพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นดินน้ำลมไยทั้งหมดเหมือนกันหมดทำมาจากแหล่งเดียวกันเหมือนตุ๊กตาที่ผลิตมาจากโรงงานอันเดียวกันมีอาการ32เหมือนกันมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นขอทานไม่ว่าจะเป็นนายกหรือจะเป็นเออ เป็นผู้รับใช้นายกมันก็เป็นดินน้ำนมไฟเป็นอาการสามสิบสองเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทุกคนอันนี้ไม่ใช่สมมุติที่สมมุติก็คือบทที่เราเล่นกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นหญิงเป็นชายเป็นนายกเป็นข้าราชการเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือความสมมุติที่เราต้องรู้ว่ามันมันเป็นของชั่วคราวเป็นบทละคร เดี๋ยวพอละครจบไอ้ของพวกนี้ก็หายไปหมดเนี่ยพอร่างกายตายไปก็เหมือนละครของเราก็จบไปบทละครของเราก็หมดตัวเล่นละครก็หมดจะเล่นเป็นอะไรตอนนั้นก็หมดไปเราก็กลับมาเล่นใหม่ไปเกิดมากลับมาเกิดใหม่กลับมาเล่นบทใหม่ต่อไปคนฉลาดถ้ารู้ว่าชีวิตเป็นการเล่นละครก็อยากกลับมาเกิดดีกว่า การไม่กลับมาเกิดก็อยา่าอยา่าอยากมาเล่นบทต่างๆอย่ามาอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้วกายถ้าตัดความอยากเหล่านี้ได้ก็ไม่ต้องกลับมาเล่นละคร อ, อีกต่อไปจากคุณเฉลิมพล น, นะครับสีลข้อปานาการฆ่าสัตว์ต่างชนิดต่างขนาดกันเช่นปวกหนูช้างมีอัตราของบาปต่างกันมากน้อยอย่างไร ก็มีโทษต่างกันตามตามประโยชน์ของสิ่งที่ของของสัตว์ที่ถูกฆ่าสัตว์ที่มีประโยชน์มากโทษก็หนักสัตว์ที่มีประโยชน์น้อยโทษก็เบาเช่นฆ่ามนุษย์นี่ฆ่าคนที่เราไม่รู้จักกับฆ่าพ่อมากฆ่าแม่นี่มันก็หนักเบาต่างกันละฆ่าคนที่เราไม่รู้จักนี่มันไม่หนักเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่พ่อแม่มีพ่อคุณมากกว่าคนที่เราไม่รู้จัก การฆ่าที่หนักที่สุดก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระ อ, อราหันต์ทําให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและยุยงให้สงเกิดความแตกสามคัคคีเรียกว่าเป็นบาปหนักอ น, นันตริยกรรมเป็นโทษหนักถ้าโทษทางราชการทางบ้านเมืองก็โทษประหารชีวิตแต่ถ้าบุคคลนิสสัตว์นั้นมีขุนน้อยโทษก็น้อยเช่นฆ่าเป็ดฆ่าไก่นี่ น้อยกว่าฆ่าวัวฆ่าควายเพราะวัวควายมันยังมีประโยชน์สมัยก่อนเราอาศัยวัวควายทําไร่ไถนาเราก็เลี้ยงมันเหมือนกับเป็นพี่น้องเป็นญาติกันเพราะช่วยทํางานช่วยหากินให้เราแต่พวกพวกเป็ดพวกไก่มันไม่มีประโยชน์มันไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้กับเรามีแต่จะกินข้าวของเราเราเลี้ยงมันดันั้นเวลาฆ่ามันโทษก็เลยไม่หนักเหมือนกับการที่ไปฆ่าสัตว์ที่มีคุณ มากกว่าจะคุณกำมนทิพย์นะครับการดูดวงวันเดือนปีจะหนีเคราะหกรรมได้ไหมคะนี่ได้ก็ดูกันหมดแล้วสิอันนั้นเป็นความเชื่อเท่านั้นเองไม่ใช่ความจริงความจริงตามหลักของพพุทธเจ้าบอกกรรมนี่หนีไม่พ้นอาจจะชาตินี้ยังตามมาไม่ทันเดี๋ยวชาติหน้าก็ต้องตามมาได้ต้องเจอกันอย่างแน่นอนถ้ายังมีการกลับมาเกิดอยู่ มีวิธีเดียวที่จะหนีกรรมได้ก็คืออยากลับมาเกิดอย่างองคุลิมานี้ไม่ต้องกลับมาใช้กรรมที่เกิดจากการฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนเพราะว่าไม่กลับมาเกิดแล้วเป็นพาาาระอรหันต์แล้วจักุณจีรพัทนะครับในสิ่งข้อสามมีขอบเขตของสิลอย่างไรเพียงแค่ละเมิดสามีภรรยาผู้อื่นเท่านั้นหรือไม่อย่างไรครับ ก็หมายความว่าให้เรามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาหรือสามีของเราเท่านั้นถ้านอกเหนือจากนั้นแล้วถือว่าผิดหมดมีเพศสัมพันธ์กันยังไม่แต่งงานก็ถือว่าผิดเพราะยังไม่ได้เป็นสามีเป็นภรรยากันจากสามเณรพิธิวัตนะครับที่ว่าด้วยห้ามฟังเพลงร้องเพลง ปักโคมดนตรีดูการละเล่นรวมไปถึงภาพยนตร์ละครรายการบันเทิงด้วยใช่ไหมครับเว้นแต่วิดีโอที่เป็นประโยชน์สัมมนเรนเข้าใจถูกไหมครับถูกต้องถ้าเป็นการศึกษาเช่นศึกษาพราะธรรมคำสอนผ่านทางวิดีโอนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการบันเทิงเป็นการศึกษาก็ดูได้คําถามจากคุณสุรชัยนะครับ ชีวิตถูกกาหนดมาแต่เกิดคือกาหนดโดยกรรมจริงหรือไม่กรรมมีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งแวดลอ้อมบุคคลที่เราอยู่ด้วยเขาก็มีมีส่วนประกอบในการที่จะทำให้เราทำอะไรต่างๆเช่นไปเกิดในครอบครัวที่เขากินเหล้าโอกาสที่เราจะกินเหล้าก็มีมากกว่าถ้าเราไปเกิดในครอบครัวที่ไม่กินเหล้าอย่างนี้เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่กรรมของเราคือกรรมก็คือนิ ส, สัยเราถ้าเราเคยชอบกินเหล้าแล้วลถึงแม้ไปเกิดในครอบครัวที่ไม่กินเหล้าเดี๋ยวมีเวลาก็แอบออกไปข้างนอกบ้านไปซื้อเหล้ากินเพราะยังมีความอยากกินอยู่เพราะมีนิ ส, สัยที่อยากจะกินในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีนิ ส, สัยไม่ชอบกินเหล้าถึงแม้จะไปเกิดในครอบครัวที่เขากินเหล้าเราก็จะไม่กินอันนี้มันก็มีทั้งสองส่วนที่จะมา เป็นเหตุที่จะทำให้เรามาทำอะทาบุญทาบาปต่อไปคำถามจะคนมีมินะครับขอคำแนะนำพระอาจารย์ค่ะเวลาหมดกำลังใจหรือท้อควรสอนจิตหรือมีข้อปฏิบัติอะไรดีคะวิธีที่เราจะทำได้อันนึงก็คือหยุดความท้อแท้หยุดคิดมันนะใช้บริกรรมพุทโธพุทโธไป สวดมนต์ไปเพราะว่าความคิดความท้อแท้เบื่อหน่ายมันเกิดจากความคิดของเราถ้าเราสามารถหยุดไปได้มันก็จะหายไปฉะนั้นพยายามพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเวลาเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายหรือสวดมนต์ไปหรือจะคิดถึงคนที่มีทําให้เรามีกําลังใจก็ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระ อ, อริยสงสาวกต่างๆคิดถึงคนที่เขาเอา ฟันฝ่าความท้อแท้เบื่อหน่ายก็คิดแล้วดูเขาเป็นตัวอย่างเขาทําได้เราก็ต้องทําได้เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเราก็เป็นมนุษย์เหมือนเขาเขาก็เคยมีความท้อแท้แต่เขาก็ไม่ท้อถอยท้อแท้เขาก็พักไว้สักระยะหนึ่งก็ได้ถ้ายังไม่มีกําลังใจจะทําทอะไรก็ก็พักก่อนบางทีมันเหนื่อยมันมากเกินไปที่จะรับได้ก็พักไว้ชั่วคราว แต่อย่าถอยอย่าเลิกอพอมีกําลังใจก็กลับมาทําใหม่ต่อเพราะความท้อแท้นี้มันก็เป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเราจะให้มันดับเร็วก็ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องต่างๆที่ทําให้เราท้อแท้เบื่อหน่ายเดี๋ยวพอเราไม่คิดแล้วความท้อแท้เบื่อหน่ายมันก็จะหายไป จากมุกผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับข้อที่1ตัวรู้คืออะไรคะรู้แล้ก็คือตัวใจตัวที่กําลังรู้อยู่เนี้ยที่กําลังรับรู้อะไรต่างๆนี่คือตัวใจตัวคิดก็คือตัวจิตนะครับความจริงมันเป็นตัวเดียวกันแต่มันทำสองหน้าที่ตัวหนึ่งคิดตัวหนึ่งตัวหนึ่งรู้มันเป็นเหมือนร่างกายของเรามีแขนมีแขนซ้ายแขนขวาอย่างนี้มือขวามือซ้าย มือขวาก็มือขวาก็ทำอย่างหนึ่งมือซ้ายก็ทำอีกอย่างหนึ่งใจจิตใจก็มีหน้าที่สองอย่างมีหน้าที่คิดกับมีหน้าที่รู้ Represent ตัวคิดนี่มันเกิดดับเกิดดับบางทีคิดแล้วมันก็หยุดหยุดแล้วก็คิดแต่ตัวรู้นี่มันไม่เกิดดับเกิดดับมันรู้อยู่ตลอดเวลานอนหลับมันก็รู้เวลานอนหลับฝันนี่แล้วก็ยังรู้ว่าเราฝันใช่ไมไอ้ตัวที่คิดก็เกิดตัวที่สร้างความฝันขึ้นมา เวลาเราฝันนี่ก็คือตัวคิดที่กำลังสร้างเรื่องขึ้นมาให้เรารับรู้แล้วตัวรู้ก็เป็นตัวที่รับรู้เรื่องที่ตัวคิดสร้างขึ้นมาเวลาตื่นก็เหมือนกันเวลาตื่นก็มารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสมารับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางตาหูจมกูกิืนกายและมารับรู้กับความคิดที่เรากำลังคิดอยู่ในขณะนี้ ข้อที่สองทำไมบางวันดิฉันสมาธิได้นานสงบบางวันนั่งได้แป๊บเดียวเพราะสาเหตุอะไรคะก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งก็สติวันไหนมีสติดีก็จะนั่งได้ได้ง่ายได้นานอีกอย่างหนึ่งก็เกิดจากว่ามีเหตุการณ์มากน้อยเพียงไรในวันนั้นถ้ามีเหตุการณ์วุ่นวายมากเรื่องมากปัญหามากหนักอกหนักใจมากก็นั่งไม่ได้นาน ถ้าวันไหนไม่มีเรื่องไม่มีราวจิตใจปลอดโปรง่งสบายวันนั้นก็จะนั่งได้นาน <Yeah. S 2> ก็มีอยู่สองสาเหตุสาเหตุในตัวเราก็คือสติที่ไม่แน่นอนบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีสาเหตุภายนอกก็เกิดจากเหตุการณ์ที่เราไปสัมผัสรับรู้ในวันนั้นว่ามีหนักมีเบามีดีหรือไม่ดีมันก็เลยมีผลกระทบต่อการทําใจของเราให้สงบได้ จากคุณนิกกี้นะครับจิตครั้งแรกเกิดมาได้อย่างไรครับพระพุทธเจ้าท่านเคยย้อนไปแล้วหาจิตเริ่มต้นท่านหาไม่เจอเพราะมันไม่มีจุดเริ่มต้นมันมีของมันอยู่อย่างนี้มาตลอดสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลอยู่ในโลกนี้ตลอดคือธาตุทั้งหกคือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอากาศสัธาตุและวิญญาณธาตุก็คือใจนี่จิตนี่ เป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีเกิดไม่มีดับจากคุณนภพลนะครับสมมุติว่าผมเป็นพระเปิดทีวีดูมวยฟุตบอลหรือกีฬาประเภทอื่นๆถือว่าดูการละเล่นไหมครับอ่ามันก็เป็นการละเล่นเล่นกีฬาไงแม้ยังถามอีกเป็นการทํางานหรือเป็นการเรียนหรือมันไม่ใช่เป็นการเรียนมันเป็นการละเล่นนะครับคำถามจากคุณ ดานนะครับไม่ทานอาหารเย็นแต่วันนี้จําเป็นต้องทานยาหลังอาหารเย็นควรทําให้ถูกต้องอย่างไรก็ทานมันก่อนทานตอนเที่ยงก่อนเปลี่ยนเวลาทานยาไปก็แล้วกันน <c oughs> แล้วแต่เราเราอยากจะรักษาอะไรรักษาสีนี่รักษาร่างกายก็ต้องเลือกเอาถ้ามันถ้ามันต้องถ้ามันต้องเลือกเหมือนกับเราเดินมาถึงสีนะ่แยกแล้วเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไป เราจะไปทางไหนเราจะไปทั้งสามทางไปไม่ได้ถ้าไปทางซ้ายก็ไปทางขวาไปทางตรงไม่ได้ถ้าจะไปทางตรงก็ไปทางซ้ายทางขวาไม่ได้ถ้าจะรักษาศีลก็รักษาร่างกายไม่ได้ถ้าจะรักษาร่างกายก็รักษาศีลไม่ได้มันก็ต้องเลือกเอาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับหากสามีอยากมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาแต่ภรรยาไม่อยากมีด้วย แบบนี้สามีถือว่าผิดไหมคะเนื่องจากภรรยาไม่ยินยอมอถ้าไม่ไปบังคับกันก็ไม่ไปข่มขู่ไปทำทำทำร้ายกันก็ไม่เสียหายความอยากมันเป็นปกติของบุตรชนของผู้ที่มีครอบครัวที่มาอยู่ด้วยกันก็เพราะความอยากเพียงแต่ว่าบางวบางจังหวะบางเวลาความอยากไม่ตรงกันก็ต้องรู้จักการหักห้ามจิตใจ จากการเขารบความรู้สึกของบุคคลคนอื่นไม่ควรไปบังคับใจกันถ้าเขาไม่อยากก็ไม่เป็นไรเอรอให้เขาอยากก่อนจกคุณเต้นะครับถ้าเรานําปัจจัยไปใส่บาตรพระสงฆ์จะผิดไหมเช้คะโยมเอทําผิดพระวินัยของพระคือพระนี่พราะเจ้าไม่อนุญาตให้รับเงินทองกับมือ ก็ให้ต้องให้กับลูกศิษย์ฝากกับลูกศิษย์ไว้แล้วเวลาพระต้องการที่จะใช้เงินก็ น, นั้นก็จะบอกลูกศิษย์ให้ไปช่วยจัดการไปซื้อของจําเป็นที่ต้องซื้อพระพเจ้าไม่ต้องการให้พระเป็นไปซื้อข้าวซื้อของด้วยตนเองไม่ให้ถือเงินถือทองคือไม่ให้ซื้อขายพูดง่ายๆมีเงินแล้วเดี๋ยวมันก็มีการซื้อขายมันก็จะกลายเป็นพาณิชย์ไปเป็นพ่อค้าไปพระสงฆ์องค์เจ้าไม่มี ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใช้อาชีพเป็นพ่อค้าดันั้นให้ให้อาชีพของพระ ก, ก็คือบินทบาทอยากจะไดอะไรตอนเช้าก็ไปเดินบินทบาทก็ได้ปัจจัยสี่ที่ต้องการอาหารบินทบาทจีวรยารักษาโรคเป็นต้ น, นถ้าญาติโยมไม่สามารถที่จะซื้ อ, อาหารได้ไม่สะดวกอยากจะฝากเงินไว้แทนก็ฝากกับลูกศิษย์ที่เดินไป กับพระถ้าไม่มีก็ถามพระว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนวัดอะไรขอที่อยู่แล้วก็ส่งไปที่วัดก็ได้คำถามจะคุณคำกิจนะครับมีฮิริโอตปะในจิตใจมันหมายความว่าอย่างไรครับมีอะไรในจิตใจครับฮิริแปลว่าความอายโอตปะคือความกลัวกลัวอะไร กลัวการกระทำบาปกลัวผลที่จะเกิดจากการกระทำบาปอายที่ว่าเวลาทำบาปแล้วทำให้เรากลายเป็นคนน่าเกลียดไปคนเรานี่น่ารักหรือไม่น่ารักส่วนหนึ่งก็ไม่ได้อยู่ยที่อยู่ที่อยู่ที่การกระทำชั่วหรือไม่ทำชั่วถ้ากระทำชั่วนี่มันก็จะไม่น่ารักถ้าคนไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีถ้าคนอื่นเขารู้เขาก็จะรังเกียจเรา เราก็จะกลายเป็นคนน่าเกลียดไปคนที่รู้ว่าการทำบาปนี้เป็นการกระทำที่ทำให้ตนเองน่าเกลียดน่ากลัวก็จะอายถ้าอายก็จะไม่กล้าทำเพราะอยากจะเป็นคนน่ารักอยากให้คนเขารักเขาชอบเราเราก็ต้องอายในการกระทำบาป คนถึงมักจะปลกปิดกันเวลากระทำบาปทำแล้วไม่อยากให้ใครรู้แต่อายแบบนี้ไม่ถูกมันต้องอายแล้วไม่ไปทำไม่ใช่ทำแล้วไปปลกไปปิดปกปิดมันก็ทำให้มันปกปิดไม่ได้เพราะในที่สุดเดี๋ยวความจริงมันก็ต้องปรากฏขึ้นมาส่วนโอตตะก็คือความกลัวกลัวผลของบาปที่เราทำเช่นเราทาผิดกฎหมายไปค้ายาเสพติดเนี่ยถ้าเรากลัวเราก็จะไม่กล้าทำ ถ้าเราไม่กลัวเราก็จะทําเช่นไปปล้นธนาคารถ้าไม่กลัวจะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางหรือจุกเจ้าหน้าที่ยิงตายอก็จะไปทําได้ก็จะกล้าทําแต่ถ้ากลัวก็จะไม่กล้าทําะคนที่จะไม่ทําบาปได้จึงต้องมีหิริมีโอด ต, ตับะมีความอายในการกระทําบาปมีความกลัวกับผลของบาปที่จะตามมาก็จะไม่กล้าก็จะไม่ทําบาปกันะ จากคุณวัดนะครับทําไมศาสนาพุทธไม่เจริญในประเทศอินเดียทั้งๆ ท, ท, ที่มีราชาบัณฑิตพราหมณ์แพทยทหารมาบวชกันหมดแต่ศาสนาพราหม์ฮินดูยังอยู่เหมือนเดิมแล้วศาสนาพุทธกลับมาเจริญในประเทศไทยลาวแทนก็คือศาสนาพุทธความจริงก็ไม่ได้เป็นศาสนาหลักของอินเดียอยู่แล้วศาสนาพราหม์นี้เขามอีอยู่ก่อนที่มีศาสนาพุทธ แล้วก็ศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาที่เมื่อไม่เมือ่อเมื่อในในในประเทศที่มีศาสนาหลักอยู่ก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถที่จะเข้าไป เ, าเปลี่ยนความเชื่อของคนได้คนนี้เวลาเขาเชื่ออะไรตั้งแต่เกิดแล้วเขามักจะเชื่อไปน้อยคนที่จะเปลี่ยนความเชื่อนั้น ดังนั้นศาสนาพุทธมักจะไปเจริญในสังคมที่ยังที่ไม่มีศาสนาประเทศไหนที่ไม่มีศาสนาประเทศนั้นก็จะเจริญก็เลยมาเจริญทางประเทศไทยทางประเทศศรีลังกาประเทศพมา่าประเทศทางนี้ทางเางขเมรลาวเพราะสมัยนั้นเราก็ไม่มีศาสนากันเชื่อผีเชื่อเจ้าเชื่ออะไรต่างๆผีสางเทวดาพอมีศาสนามาสั่งมาสอนก็เลย เชื่อกันแล้วก็ปฏิบัติตามกันศาสนาพุทธก็เลยมาเจริญในประเทศที่ไม่มีศาสนามาก่อนเนี่ยตอนนี้ถ้าไปเผยแผ่ในประเทศยุโรปประเทศอเมริกาที่ก็มีศาสนาแล้วไปเผยแผ่มันก็ไม่เจริญมันก็ได้แต่เฉพาะคนไทยที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศเท่านั้นที่จะไปวัดกันพวกฝรั่งเขาก็มีวัดของเขาไปหรืออีกพวกหนึ่งก็ไม่เชื่อศาสนาอยู่แล้วเขาก็ไม่เข้าวัดของเขาอยู่แล้วเขาก็ไม่มาเข้าวัด ที่เขาไม่รู้จักยกเว้นจากคนบางคนที่เขาได้ศึกษาและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพวกจํานวนน้อยเป็นพวกบัณฑิตพวกคนฉลาดนี้เขาเปรียบเทียบเหมือนกับพวกเขาวัวพวกคนโง่ น, นี้เปรียบเหมือนกับพวกขนวัวเขยังจไหมคนที่จะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาจึงมีน้อยเป็นพวกเขาวัวตัวหนึ่งเม่ฆสองเขานั้นเอง แต่พวกขนัวเนี่ยพวกที่ไม่เห็นคุณค่าของศาสนาพุทธเนี่ยมีเยอะก็เลยเขาก็จะไม่เข้าหาพุทธศาสนาจะคุณจักคุณดาอันนะครับได้เจริญปัญญาโดยทําอานาปานสติมาหลายเดือนแต่รู้สึกว่าไม่ก้าวหน้าหยุดอยู่กับที่ผมทั้งใจทําต่อไปแน่นอนการเจริญปัญญานี้จะก้าวหน้าไปเองหรือควรต้องปรึกษาผู้รู้ดีกว่าครับ การเจริญ น, นาปัณสติไม่ใช่การเจริญปัญญาเป็นการเจริญสตินเพื่อทําใจให้สงบเป็นสมาธิการจะเจริญปัญญาต้องพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายว่าเป็นไม่มีตัวตนมีแค่อาการสาสบสองในร่างกายคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นไม่มีคนอยู่ในในร่างกายนี้ ร่างกายนี้เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองทำมาจากดินน้ํามลมไฟเดี๋ยวตายไปร่างกายนี้ก็จะคืนสู่ดินน้ํามลมไฟไปอันนี้ถึงจะทาให้เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาก็คือจะทำให้เราไม่หลงกับร่างกายอันนี้ไม่หลงไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราแล้วเราก็จะไม่ไปทุกข์กับมันในเมื่อมันไม่ใช่เป็นร่างกายมันไม่ใช่เป็นตัวเราจะไปทุกข์กับมันทาไม ที่เราทุกข์เพราะเราไปหลงคิดว่ามันเป็นตัวเราใช่ไหมร่างกายคนอื่นนี่เราทุกข์กับเขาเปล่าเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นตัวเราเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายก็เรื่องของเขาแต่ร่างกายที่เรามีอยู่นี่เราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราเราก็เลยทุกข์กับมันแต่ถ้าเรามาศึกษาจริงๆมาดูจริงๆแล้วมันจะรู้มันจะเห็นว่าไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ในร่างกายนี้ลองผ่าออกมาดูลองแยกชิ้นส่วนดู ทุกชิ้นทุกส่วนทุกอาการที่เหมือนร่างกายนี้มีเราอยู่ไหมมีผมอยู่เรามีผมอยู่ในร่างกายหรอือเป่าอยู่ในผมหรือเปล่าเวลาโกนผมไปเราหายไปกับผมหรือเปล่าเวลาเราตัดเล็บเวลาเราถอนฟันไปนี่มันเราหายไปกับมันหรือเปล่าไม่ได้หายใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เป็นมันเราไปเพียงแต่ตูเอาแบบงโง่ว่านี่เป็นเราอาการ32นี่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรา เราก็เลยทุกข์เพราะเราอะไรเป็นของเราเราก็รักเราก็หวงพอมันจะจากเราไปเราก็ทุกข์กันแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงตุ๊ ก, กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองเรากําลังเล่นกับตุ๊ ก, กตาอยู่เล่นจนกระทั่งลืมไปกลายกลายเป็นว่าเราเป็นตุ๊ ก, กตาไปโดยไม่รู้สึกตัวเพราะไม่มีใครมาสั่งมาสอนมาบอกเรานั่นเองมีพระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นอ่ะที่มาสั่งมาสอนมาบอก ถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าแล้วเจอพราวกเราก็จะไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแล้วเราก็จะต้องทุกข์กับมันเวลาที่มันแก่เวลาที่มันเจ็บเวลาที่มันตายเพราะเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเท่านั้นเองแต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระอริยสงสาวกท่านก็สอนเราให้มาเจริญปัญญากันให้มาดูร่างกายกันว่ามันเป็นเราหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงอาการสามสิบสอง มันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันเที่ยงหรือเปล่ามันจะอยู่ไปอย่างนี้โดยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือเปล่านี่คือการเจริญปัญญาถ้าเราดูบ่อยๆคิดบ่อยๆต่อไปเราก็จะไม่ลืมถ้าดูเดียวเดียวดูหนเดียวสงหนเดียวมันลืมต้องดูบ่อยๆคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆคิดจนกระทั่งมันจาได้ไม่ลืมนั่นะถึงจะหยุดเจริญปัญญา พราะถ้ามันจําได้แล้วมันก็จะปล่อยตลอดเวลามันจะไม่กังวลกับความแก่ความเจ็บความตายมันจะไม่กังวลกับเรื่องของร่างกายเพราะมันรู้ว่าร่างกายมันไม่ใช่เป็นตัวเราเราจะมองร่างกายที่เรามีอยู่นี้เหมือนกับเรามองร่างกายของคนอื่นเราจะไม่รู้สึกทุกข์เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายอันนี้เลยนี่คือทางเจริญปัญญาต้องพิจารณาร่างกาย คุณผลนะครับเวลาที่กําหนัดเกิดจากการปรุงแต่งทางความคิดแล้วเรารีบเข้าพุโทโธช่วยได้ไหมครับแล้วผลที่เกิดจะมากน้อยแค่ไหนได้ถ้าเราใช้พุโทโธเราก็จะไม่ไปคิดในสิ่งที่ทําให้เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันก็จะหายไปเพียงแต่ว่ามันจะหายชั่วคราวพอเราเผลอกลับไปคิดใหม่มันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะแก้ให้มันหายอย่างถาวรเวลาคิดถึง สิ่งที่สวยงามแล้วทําให้เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็หัดคิดไปคิดในส่วนที่ไม่สวยงามเอช่นเวล า, าเราคิดถึงร่างกายที่สวยงามเราก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าเราอยากจะให้มันหายไปเราก็คิดถึงร่างกายที่สวยงามนี่เวลาที่มันตายไปเวลาที่มันตายไปขึ้นอื่ดขึ้นอื่นน้ําเลือดน้ำหลงไหนไหลออกมาร่างกายเขียวช้ำอย่างเงี้ยมันจะเห็นร่างกายที่เป็นศพแล้วมันก็จะทําให้ ความมีอารมณ์ในร่างกายนั้นหายไปอย่างท้าวอนพอทุกครั้งเวลาเราเห็นร่างกายเราจะไม่มองแต่เวลาที่ร่างกายสวยงามเราจะมองเวลาที่ร่างกายกลายเป็นซากศพพอเห็นว่ามันเป็นซากศพทับมันก็จะดับการอารมณ์ได้จากพระนวรัตอาภาโคนะครับบวชแล้วแต่วัดที่นี่ไม่มีใครสอนปฏิบัติ ปฏิบัติเองแล้วไม่ก้าวหน้าควรหาครูบาอาจารย์เพื่อเรียนใหม่ครับหรือทําต่อไปอก็ถ้าเราไม่ก้าวหน้าแล้ว เ, เราจะทําต่อไปได้ยังไงมันก็ต้องหาครูหาอาจารย์มันเหมือนกับเรียนหนังสือถ้าไปเรียนโรงเรียนที่ไม่มีครูมันมันจะไปเรียนก้าวหน้าได้ยังไงก็ต้องไปหาโรงเรียนที่มีครูสอนศาสนาพุทธก็เป็นสถาบันการศึกษาที่ย่อหย่อนไม่ผลิตครูมาสั่งสอนนักเรียนกัน บวชกันก็มาให้มาทําพิธีกรรมกันแทนแทนที่จะมาล่ามาเรียนก็ให้มาสวดศพกันมาสวดบุญบางสังสวดกันมาทําพิธีกรรมกันก็เลยกลายเป็นศาสนาพิธีไปไม่ใช่เป็นศาสนธรรมศาสนธรรมก็คือศาสนาของความรู้ทำไปว่าความรู้ตอนนี้ศาสนาเรากําลังมัวหมองกําลังเป็นศาสนาโง่ไม่ใช่ศาสนาฉลาดเพราะไม่ศึกษาไม่ล่ําเรียนกัน จะคุณแอนนี่นะครับการทําบุญกับพระทั่วไปและพระสายปฏิบัติมีผลต่างกันไหมคะผลบุญก็มีมีต่างกันอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ต่างกันอยู่อีกส่วนหนึ่งทาบุญนี้เราจะได้สองส่วนส่วนที่ไม่ต่างก็คือความสุขใจที่เราได้จากการแบ่งปันเสียสละข้าวของเงินทองอันนี้ให้ใครก็ได้ความสุขใจเหมือนกัน ให้พระปฏิบัติให้พระไม่ปฏิบัติให้โยมให้หมาให้แมวก็ได้ความสุขใจเหมือนกันส่วนนี้ทํากับใครก็ได้ทํากับพ่อกับแม่ก็ได้ทํากับปู่ย่าตายายก็ได้ทําแล้วเราก็จะมีความสุขใจเหมือนกันอย่างนี้ส่วนนี้เหมือนกันไม่ว่าจะทํากับใครไอ้ส่วนที่ไม่เหมือนกันก็คือของที่เราจะได้ตอบแทนจากพวกที่เราให้ ัางทีเราให้ของเขาแล้วเขาก็มีของตอบแทนให้กับเราเช่นเราไปทําบุญกับพระที่มีเครื่องรางของของังท่านก็จะแจกเครื่องรางของขั ง, งให้เรา uh, ถ้าไปทําบุญกับพระที่มีหนังสือธรรมะท่านก็เอาหนังสือธรรมะมาแจกพวกเราถ้าไปทำบุญกับพระที่มีความรู้ทางการปฏิบัติธรรมวิธีนั่งสมาธิจเจริญปัญญาท่านก็จะเอาความรู้นี้มาสั่งสอนเราอันนี้จะต่างกัน กับบุคคลที่เราไปทําบุญด้วยเขามีอะไรเขาก็จะตอบแทนสิ่งที่เขามีให้กับเราเหมือนกับเวลาที่เราไปเติมน้ํามันเนี่ยเดี๋ยวนี้ปั๊มเขาก็มีแจกของใช่ไหมบางปั๊มก็แจกผ้าเย็นบางปั๊มก็แจกวอลตอรี่หรือแจกใบเสี่ยงโชคเราอยากได้อะไรเราก็เลือกปั๊มไปอันนี้ของแถมแต่ของที่ได้เหมือนกันก็คือน้ํามันนแล้วเติมน้ํามันปั๊มไหนก็ได้น้ํามันเหมือนกัน ทำบุญก็เหมือนกับไปเติมน้ำมันตามปั๊มต่างๆจะได้ผลตอบแทนสองส่วนได้น้ำมันคือความสุขใจอิ่มใจแล้วก็ได้ของแถมจากปั๊มก็ต้องดูว่าเราต้องการของแถมแบบไหนแล้วก็ไปเลือกปั๊มนั้นจ่าคุณโอนะครับทำสมาธิแล้วปวดขามากๆจิตจับที่ขาทนจนแตกออกดังโป๊ะแล้วก็ไม่มีลมหายใจไม่มีตัว ไม่รู้สึกปวดเลยเห็นเพียงวงสว่างและฐานสี่เหลี่ยมคางหมูกว่ํานิ่งอยู่แบบนั้นแล้วควรทําอย่างไรต่อไปคะก็ควรทํำบ่อยๆให้มันให้มันชํานาญต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บเวลาร่างกายเจ็บแล้วก็ทําอย่างที่เราทําอย่างนี้ต่อไปเวลาปวดท้องปวดหัวก็ไม่ต้องกินยาก็ได้ไม่ต้องกินยาแก้ปวดเพราะใจจะไม่ทุกข์กับความเจ็บป่วยของทางร่างกายเพราะจะรู้จักวิธีทําใจให้สงบ จากคุณประทีปนะครับกรสินสิบคือวิธีฝึกสมาธิด้วยใหมครับใช่ก็เป็นเหมือนกับการเพ่งลมหายใจแทนที่จะเพ่งลมหายใจแล้วก็เพ่งสีต่างๆสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองเรานึกถึงสีแล้วก็หลับตาแล้วก็ให้มันนึกให้มีสีในในจอภาพตาขึ้นมาในจอในจอใจหลับตาแล้วก็นึกถึงสีเขียวนึกไปเรื่อยๆแล้วจนกว่าจะมีสีเขียวขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาให้มัน อยู่ไปนานๆ่นางนี้ก็จะทำให้จิตสงบได้เหมือนกับดูลมหายใจเข้าออกเป็นการเพ่งอย่างหนึ่งจากคุณภาลิชาต์นะครับ หนูเข้าใจว่าการเจริญสติปัญญาคือร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นดินน้ำลมไฟแต่เวลาที่หนูทำสมาธิแล้วหนูขอบคุณร่างกายนี้มันให้จิตใจหนูอาศัยอยู่หนูโง่ไหมคะที่หนูแผ่เมตตาให้ร่างกายดินน้ำลมไฟที่มันไม่ใช่ของหนูอ็โง่ไงไม่จําเป็นจะต้องแผ่แผ่มันก็ไม่ได้รับวิธีแผ่เมตตากับร่างกายก็คือ เลี้ยงดูมันไปตามอัตภาพตามความเหมาะสมะให้มีมีข้าวกินให้มีมียะมีเสื้อผ้าสวมใส่นี่ก็เป็นการเมตตากับร่างกายคำถามสุดท้ายประจาวันนี้นะครับจากคุณวัดนะครับสุทัตตะที่เป็นอนาบินทบาตเศรษฐีคือเศรษฐีของคนจนอีกทั้งเป็นผู้สร้างวัดเชตุวัน เป็นผู้ทำความดีมาตลอดเมื่อตอนป่วยหนักพระพุทธเจ้าได้มาสอนให้ไม่กลัวตายแต่เมื่อตายไปแล้วกลายเป็นแค่พระโสดาบันแต่พระบิดาของพระพุทธเจ้าทำไมถึงไปถึงขั้นพระนิพพานทั้งๆ ท, ท, ที่ตอนมีชีวิตอยู่สุทัตตะน่าจะทำความดีมากกว่าพระบิดาของพระพุทธเจ้าที่เป็นนักรบฆ่าคนออมันอยู่ที่ความรู้ความฉลาดของแต่ละคน มันทำนี่มันมีสามขั้นด้วยกันขั้นทานขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาเนี่ยนั่นมันอยู่ที่ว่าจิตใจของผู้ที่รับคําสอนพระพุทธเจ้านี้จะปฏิบัติได้ขั้นไหนขั้นโสขั้นอภาริยาก็มีอยู่สี่ขั้นขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันก็ต้องต้องมีปัญญาที่จะสามารถปล่อยวาง สิ่งที่ไปยึดติดอยู่ในแต่ละขั้นได้บางคนก็ปล่อยวางได้แค่ขั้นแรกคือขั้นพระโสดาบันบางคนก็ปล่อยได้ขั้นที่สองขั้นสกิราคามีบางคนก็ปล่อยได้ขั้นที่สามบางคนก็ปล่อยได้ขัน 3, นข้นที่สี่อันนี้มันก็อยู่ความฉลาดของแต่ละคนเหมือนนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนชั้นเดียวกันทำไมสอบได้คะแนนไม่เท่ากันบางคนก็ได้สองจุดบางคนก็ได้สามจุดบางคนก็ได้สี่จุด มันก็อยู่ที่ความฉลาดของแต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้นแต่ละคนนี้จะมีความรู้ทางปัญญาไม่เท่ากันพอเวลาผู้เจ้าสอนก็จะปฏิบัติได้ตามแค่กำลังของปัญญาของแต่ละคนเอาล้นะก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ